กรรมหมู่เมื่อคุณคิดพูดทำตามกระแสที่เชี่ยวกรากของสังคมรอบข้างกรรมหมู่จะกลายเป็นกรรมใหม่ของคุณสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมและส่วนใหญ่ก็ไหลไปตามกันตามคันลองของกรรมหมู่พอพูดถึงกรรมหมู่ส่วนใหญ่มักนึกถึงแต่อะไรลบๆ เช่นการรวมประชาทันเป็นต้นหรืออย่างผลแห่งกรรมหมู่ก็เช่นการตายพร้อมกันยกรถอะไรทานองนั้นแท้จริงแล้วการรวมประชาทันเป็นเพียงกรรมหมู่ชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นยากและการตายพร้อมกันยกรถก็ไม่จำเป็นต้องเป็นผลของกรรมหมู่ที่เคยไปรอบฆ่าใครมาด้วยกันกรรมหมู่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทุกวัน มีความเห็นพ้องต้องกันเป็นจำนวนหากพร้อมใจกันคิดเรียกว่ามโนกรรมหมู่หากพร้อมใจกันพูดเรียกว่าวจีกรรมหมู่หากพร้อมใจกันทำเรียกว่ากายกรรมหมู่หากคนสองสาคนคิดพูดทำในทางเดียวกันเสริมกันพูดโยงกันบ่อยๆผลก็คือเกิดสายใยในกลุ่มเล็ก ถักทอเส้นทางให้ได้ไปเจอกันสวยผลร่วมกันในแบบที่เป็นครอบครัวเป็นกลุ่มเพื่อนเป็นแก๊งโจรเป็นหุ้นส่วนธุรกิจและอื่นๆชาตินี้คุยกันถูกคอมีน้ำใจช่วยเหลือกันบ่อยๆเกิดใหม่เจอหน้ากันก็ถูกชะตานึกอยากเป็นเพื่อนกันอีกคุยกันถูกคออีและมีเหตุที่เกื้อกูลกันไปเกื้อกูลกันมาอี หรือถ้าชาตินี้ช่วยกันส่งเคราะหคนจำนวนมากเกิดใหม่เจอกันก็อาจพอดีจังหวะเดียวร่วมงานที่เกี่ยวข้องกับผู้คนจำนวนมากถ้าทำธุรกิจด้วยกันก็มีการตอบรับจากคนจำนวนมากถ้าถึงคราวลำบากด้วยกันก็ได้รับความช่วยเหลือจากคนจำนวนมากเป็นต้นหากเป็นสเกลที่ใหญ่ขึ้นมีผู้คนหลักแสนหลักล้านที่คิดพูดทาในทางเดียวกัน เสริมกันผูกโยงกันบ่อยๆผลคือเกิดเครือข่ายกรรมขนาดมหึือมากำหนดแดนเกิดให้ได้สวัยผลร่วมกันในแบบที่เป็นเผ่าพันธุ์เป็นเมืองเป็นประเทศหรือกระทั่งเป็นโลกแบบหนึ่งหนึ่งเช่นตัวอย่างที่ประชาชนในรัชการที่9เห็นง่ายหน่อยก็ได้แก่การเอ่ยขอเป็นข้าวรองบาทุกชาติไปเมื่อคนนับสิบล้านมีใจคิดเช่นนั้นจริง แั้วเล่งวาจาก็เกิดเป็นมโนกรรมวจีกรรมกายกรรมร่วมกันมีผลี่ผูกพันกันแบบไม่ต้องรู้จักมกจีไปเกิดใต้ร่มโพร่มใสของพ่อหลวงด้วยกันอีกเป็นต้นเมื่อเข้าใจภาพรวมคร่าวๆของกรรมหมู่เช่นนั้นคุณจะพอสารวจปัจจุบันของตนเองเห็นกรรมของตนเองรู้จักกรรมของตนเองง่ายขึ้นเคยไหม ตอนแรกรู้สึกเฉยๆกับใครอยู่แต่เห็นคนโน้นก็ติคนนี้ก็ว่าเลยทนไม่ไหวปล่อยเกิดอารมณ์คล้อยตามนึกอยากด่าไปด้วยทันทีเขาไม่เคยทำอะไรให้แต่ไม่ได้เคยเห็นเรื่องไม่ดีของเขากับตาตัวเองสักครั้งแล้วเคยไหมตอนแรกขี้เกียจขี้เกียจแต่พอต้องไปทำงานภายใต้บรรยากาศไฟแรงทุกคนขยันขันแข็งมีวินยัย ในที่สุดก็คือคักความขี้เกียจหายไปกลายเป็นคนเอางานเอาการตามคนอื่นได้ถามตัวเองง่ายๆว่ามีอะไรบ้างเดิมไม่ได้คิดเดิมไม่ได้พูดเดิมไม่ได้ทำแล้วกลายเป็นคิดกลายเป็นพูดกลายเป็นท ำ, ต, ำตามตามกระแสที่เชี่ยวกรากของสังคมรอบข้างนั่นแหละเดิมสิ่งนั้นไม่ใช่กรรมของคุณแต่เมื่อถูกกรรมของคนหมู่มากลืนไป ในที่สุดก็กลายเป็นกรรมใหม่ของคุณด้วยกรรมหมู่ทำด้วยกันแต่ไม่จำเป็นต้องรับผลพร้อมกันเช่นรุงกระทืบคนคนหนึ่งตายด้วยกันไม่จำเป็นต้องกลับมาเกิดใหม่เพื่อถูกคนคนนั้นกระทืบกลับจนตายด้วยกันต่างฝ่ายต่างแยกแย้ายไปรับผลกล่าวคือเมื่อถึงเวลาที่กรรมในการกระทืบเลดผลบางคนอาจถูกบีบทในนรก บางคนอาจถูกปีบบดในร่างหมาแมวมดปลวกบางคนอาจถูกปีบบดในสภาพมนุษย์ถูกลงทันขึ้นอยู่กับว่าน้ำหนักบุญบาปโดยรวมของคนคนนั้นเปิดช่องให้ได้รับผลแบบไหนกรรมหมู่ที่มักได้รับผลร่วมกันต้องมีสายสัมพันธ์บางอย่างเชื่อมกันอยู่เช่นคู่รักทากรรมคู่ทากรรมทั้งแบบที่เคยรักเคยเกลียดเคยชมเคยดา่า เคยอวยพรเคยสาบแช่งเสริมกันไปสวนกันมาเช่นนี้แล้วในที่สุดจะรักกันจนขอร่วมทางไปทุกภพหรือโกรธกันจนไม่อยากพบไปทุกชาติอย่างไรกรรมคู่ก็ไม่สนคำขออย่างไรกรรมคู่ที่ทำร่วมกันมาก็ลบทิ้งไม่ได้เมื่อถึงเวลาให้ผลอย่างไรก็ต้องโดนจับเปียงมาเจอกันอีกเจอบทเรียนให้ต้องแก้ร่วมกันอีก หรือซ้ำเติมให้ของเดิมหนักเข้าไปอีกวันยังคำ่ำผู้รู้ตัวว่าอยู่ในเกมกรรมผู้ไม่ประมาทสมรวจตัวว่าเข้าไปมีเอียวในกรรมหมู่แบบไหนผู้มีสติกาหนดเส้นทางกรรมเขาให้ตนเองแน่ชัดเป็นส่วนน้อยของผู้มีสิทธิ์รอดจากทุกอันเกิดจากความไม่รู้ว่าจะเต็มใจทำกรรมเองก็ดีหรือจะคล้อยตามกรรมหมู่มากก็ดี เมื่อกรมสำเร็จแล้วอย่างไรก็ต้องรับผลวันยังค่ำไม่ช้าก็เร็ว